วันนี้เป็นวันอังคารที่ส2บสองพภาคมพุทธศักราชสองพห้ารสาเป็นวันที่เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาฟังคำสั่งคำสอนอันประเสริฐ ของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเปิดแก่สัตว์โลกคือพระมหากรุณาคุณและพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณนี่คือพระคุณอันใหญ่หลวง ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์โลกพระปัญญาคุณคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้เป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ นทั้งปวงเป็นความรู้ที่จะสามารถนำพาให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตรภพ ในสังสารวัฏที่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงติดข้องอยู่ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกจากสังสารวัฏนี้ได้ด้วยตนเองต้องมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะ สามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนนี้ได้เพราะต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆที่จะได้เข้าถึง โล ก, กุตระธรรมความจริงหรือธรรมที่เหนือโลกนั่นเองธรรมที่จะยกระดับจิตของสัตว์โลกทั้งปลายทั้งปวงให้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านเรียกว่าโล ก, กุตระธรรมธรรมที่เหนือโลก เป็นธรรมที่คนพบด้วยพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองคือไม่ศึกไม่ได้ศึกษามาจากใครเพราะไม่มีใครในโลกรู้ความจริงอันนี้รู้ธรรมมันประเสริฐอันนี้รู้โลกุตตระธร ร, ธรม พระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นก็ทรงศึกษาจากบรรดาผู้รู้ต่างๆแต่ก็ไม่มีผู้รู้ผู้ใดที่รู้โลกุตตรธรรมนี้ไม่มีผู้รู้ผู้ใดที่สามารถทำจิตใจของตน ให้หลุดพ้นจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อไปเมื่อไม่สามารถที่จะศึกษาจากผู้รู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อให้จิตใจของพระ อ, องค์ได้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้พระ อ, องค์จึงต้องแสวงหาคนคว้า ด้วยพระองค์เองและด้วยอํานาจของพระปัญญาคุณอันแหลมคมของพระพุทธเจ้านี่เองที่ทําให้พระองค์ได้ส่งค้นพบโลกุตตระธรรมด้วยพระองค์เองที่เราเรียกว่าทรงตัดสัตวธรรมโดยพระองค์เอง นี่คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีความสามารถมีปัญญาที่จะรู้โลกุตระธรรมที่จะนำพาจิตใจของผู้โลรู้โลกุตระธรรมนี้ให้หลุดออกจากสังสารวัฏได้ออกจากใต้ภพได้ ออกจากกามภพออกจากรูปภพออกจากอารูปภพได้มีพระพุทธเจ้ามีคนอย่างพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถที่จะเข้าถึงโลกุตละธรรมนี้ได้ซึ่งนานๆก็จะมี คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งมาศึกษามาคนา้นคว้าหาทางสู่พระนิพพานทางสู่การหลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้อยู่เรื่อยๆ ในอดีตอันยาวนานที่ผ่านมาและจะมีต่อไปในอนาคตอันยาวนานที่จะมาต่อไปแต่จะเป็นเวลาที่นานมากที่จะมีคนฉลาดที่จะมาเกิดแล้วมาค้นพบโลกุตตระธรรมนี้ได้ ในยุคสมัยที่พวกเราอยู่กันนี้ยิงถือเป็นยุคโอกาสทองที่ได้มาพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาได้พบกับโลกุตละธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่เป็นโอกาสที่ง่าย ที่จะได้มาเกิดและได้มาพบกับคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ากาันการได้มาพบคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นโชคมหาศาลเป็นเหมือนกับการถูกรัตตลี รางวัลที่หนึ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายที่คนซื้อลอตเตอรี่จะสามารถถูกได้จะมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นในจำนวนของคนที่เป็นล้านที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วจะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกัน ยันใดการได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงถือว่าเป็นเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วการได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยากแสนยากหลายแสนหลายล้านเท่าของการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง เพราะว่านานจะมีพระพุทธเจ้าออมาตัดสั่งลในโลกนี้สักครั้งหนึ่งระยะเวลานี้เขียนด้วยตัวเลขไม่ได้เพราะท่านบอกว่ามันเป็นเวลายาวนานมากคือท่านเรียกว่ากลับว่ากันเป็นระยะเวลาที่ จะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์มาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งและการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอย่างพวกเราก็ไม่ได้มาเกิดในโลกนี้อยู่เรื่อยๆไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเรยพราะ จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็นานๆถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งแล้วลองเปรียบเทียบจังหวะของการมาเกิดของพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งในหลายหลายกลับด้วยกัน กับการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่ในระยะเวลาหลายหลายพันปีหมื่นปีด้วยกันจังหวะแล้วโอกาสที่จะทำให้เรามาได้พบกับพระพุทธศาสนานี่มันจึงยากเย็นมหาศาลหลาย ล้านเท่าของการถกลอตตลี่รางวัลวที่หนึ่งนี่พูดเปรียบเทียบให้ฟังถึงโอกาสที่จะได้มาเจอกับพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นของยากมากและคุณค่าของพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ก็มีคุณค่าราคามหาศาลยิ่งกว่าเงินรางวัลที่ได้รับจากการถู ก, กรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเงินที่ได้จา ก, กรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ซื้อได้แต่เพียงสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นไม่สามารถซื้อวิมุตติวิพาน ไม่สามารถซื้อการหลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้มีแต่โลกุทธรธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่สามารถที่จะซื้อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้นี่แหละคือ คุณค่าอันมหาศาลของโลกุตตระธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีโอกาสได้มาพบกับโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าอยากจะรู้ว่าความทุกข์ที่ เกิจากการเวียนว่าตายเกิดนี้มากมายขนาดไหนก็ให้ลองเอาความทุกข์ที่เราพบที่เร า, ท, เราที่เกิดขึ้นกับเรามารวมกันรวมกันอย่างไรก็น้ำตาที่เราหลั่งกันนั่นเองเวลาเรามีความทุกข์กัน เราจะร้องห่มร้องไห้กันแล้วเราก็จะหลั่งน้ำตาถ้าเรากเก็บน้ำตาที่เราหลั่งไว้ใส่ไว้ในภาชนะเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายเราจะได้น้ำตาจำนวนหนึ่งซึ่งก็คิดว่าคงไม่มากไปกว่า น้ำสักลดหนึ่งน้ำสักถ้าน้ำตาสักเล็ดหนึ่งนี่ก็แสดงว่ามีความทุกข์มากในชีวิตเพราะเวลาเราร้องไห้นี้ก็อาจจะได้ไม่กี่สีสีแต่ละครั้งแต่ล็ดหนึ่งนี่มันต้องพันซีสีขึ้นไปนี่คือน้ำตาที่เราหลั่งกัน เวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจกันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันเราจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่คือปริมาณของความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดแก่เจ็บตาย ที่มารวมกันครั้งหนึ่งเราได้น้าตาหนึ่งลิตรครั้งต่อไปซึ่งไม่รู้อีกกี่ปีเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเราอาจจะต้องไปทุกในายบายกันถ้าเราทำบาปกันถ้าเราทำบุญเราก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์กันก่อน ต่อจากนั้นเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดแก่เจ็บตายกันใหม่มาทุกข์กันใหม่มาร้องห่มร้องไห้กันใหม่นี่ปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตของพวกเหล่านี้มันมีจำนวนมากจนไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลข จึงต้องใช้เอาปริมาณของน้ำตาที่เราได้หลั่งกันนี่กิดดูจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรนี่ต้องมีน้าตากี่ลิตรกันหนึ่งชาติก็หนึ่งลิตรแล้วน้ำในมหาสมุทรนี่ไ ม, ม่ไม่รู้มันกี่แสนล้านลิตรกันนั่นอ่ะคือจำนวนพบชาติ ของการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ได้มาเกิดแก่เจ็บตายได้มาทุกข์ได้มาหลั่งน้ำตากันและก็จะทุกข์และหลั่งน้ำตาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่า จะได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วมีความสามารถพอที่จะน้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้จึงจะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ นี่แหละคือเรื่องราวของพระธรรมันประเสริฐของพระพุทธเจ้ากับเรื่องราวของจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้ถ้ามาเกิดก่อนยุคที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เช่นสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนหน้านี้ ก็จะไม่รู้จากพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้ามาเกิดห้าปันปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้พบกับพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระองค์นี้ จะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันเนี่ยเรามีช่วงระยะเวลาห้าพันปีที่จะมีโอกาสได้มาพบกับพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นเป็นเวลาเป็นกับก็ไม่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามีก็จางหายไปหมดแล้ว แล้วหลังจากห้าพันปีผ่านไปนี้ก็จะไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปอีกหลายกลับด้วยกันจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาตัดสระมาพบกับโลกุทธรธรรมด้วยพระองค์เอง แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอีกครั้งหนึ่ง น, น, นี่แหละคือเรื่องของโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มาคิดไม่มาคำนึงกันไม่มาพิจารณากันเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของ พระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ได้ดังที่มีนิทานเปรียบเปยว่านิทานคือเรื่องของไก่ได้พล่อยนี่เองไก่นี้โดยธรรมชาติเขาจะหาอาหารหาตัวหนอนตัวไส้เดือนเป็นอาหาร ในแต่ละวันเขาก็ต้องออกมาทำมาหากินกดคุย้ยหาตัวหนอนตัวไส่เดือนเวลาที่เขาไปเจอเพชเจอพลอยเขา้าเขาก็เขียยทิง้งเขียยทิ้งไปเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของเพชของพลอยถ้าสมมติว่าเขามีความรู้เหมือนกับมนุษย์ มนุษย์นี้เวลาเห็นเพชรกับพลอยกับเห็นตัวหนอนกับตัวไส้เดือนเนี่ยมนุษย์นี้จะเลือกเอาอะไรมนุษย์ก็บอกเอาเพชรเอาพลอยดีกว่าเพราะคุณค่าราคาของเพชรพลอยมันมีมากยิ่งกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนเป็นล้านเท่าเนียได้เพชรเมร็ดใหญ่ๆสักเม็ดหนึ่งนี่ เอาไปขายนี่เอาไปแลกตัวหนอนตัวไส้เดือนไม่รู้กี่ล้านตัวเอามากินไปจนวันตายได้อย่างสบายแต่ไก่ไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์ไก่ไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยจึงเขี่ยทิ้งไปเวลาที่ไปขุดคุย้ยหาอาหารหาตัวนอนตัวไส้เดือนพอเจอเพชรเจอพลอย ก็จะเขีย่ยทิ้งไปนิทาเรื่องนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนในโลกนี้ก็มีสองแบบกันแล้วกันคือคนที่ไม่รู้คุณค่าของพระธรรมก็เป็นเหมือนพวกที่เป็นเป็นเหมือนพวกไก่ส่วนคนที่รู้คุณค่าของพระธรรมก็คือพวกที่เป็นมนุษย์ ที่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยว่าเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องของคุณค่าอันมหาศาลของของพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ผู้ที่จะเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมคําสั่งคําสอนได้ จำเป็นจะต้องมีปัญญามีความฉลาดที่จะรู้ถึงคุณค่าจากการศึกษาในเบื้องต้นคนที่ฉลาดเวลาเจอเพรเจอพลอยถ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาก็ต้องพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ เคล็ดพลอยที่หาได้อาจจาไปถามผู้รู้ผู้อื่นเพื่อให้เขาบอกว่าเป็นอะไรมีคุณค่าราคาอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ที่ได้พบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเป็นคนฉลาดก็จะศึกษาเพื่อให้รู้ว่า พระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีประโยชน์อย่างไรกับผู้ที่ศึกษานั่นเองแต่ผู้ที่ได้มาสัมผัสมาพบกับพระธรรมคําสั่งคําสอนแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาก็เปรียบเหมือนกับไก่นั่นเองไก่ไม่สนใจจะศึกษาว่าเพชรพลอยที่ตนได้เจอนั้น มีคุณค่าราคามีประโยชน์ trips, กับตนอยา่างไรก็จะเขียยทิ้งไปเขี่ยทิ้งไปคนที่มาเกิดในโลกนี้แล้วได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนได้ยินได้ฟังแต่ไม่ทราบซึ้งใจไม่เห็นคุณค่าราคาของพระธรรมคำสอนก็จะไม่สนใจ ที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐมาศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำประโยชน์ให้กับจิตใจของตนดังนั้นพวกเราผู้ที่เป็นชาวพุทธนี่เราจะเป็นพุทธแบบไก่หรือพุทธแบบมนุษย์ ถ้าพุทธแบบไก่ก็คือไม่สนใจที่จะเข้าหาพระธรรมอันประเสรศิฐไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคำสอนอันประเสรศิฐเรียกว่าเป็นเหมือนไก่ได้เพชรได้พล่อยแล้วแต่เกลี่ยทิ้งไปไม่นำมามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองสำหรับ พวกที่เป็นมนุษย์พวกที่ฉลาดพวกที่รู้คุณค่าราคาของของโลกุธตัะธรรมของพระพุทธเจ้า mm. ก็จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้รู้เรื่องราวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วจะได้รู้ว่า จะต้องทำอย่างไรกับความรู้ที่ไดจากการศึกษามาต่อไปเพื่อจะได้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองต่อไปอนี่คือการได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเสมอไป ไม่ได้รับประโยชน์จากโลกุตละธรร ม, มันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเสมอไปอาจจะได้พบแล้วแต่ก็ไม่ได้เอามาทำให้เกิดประโยชน์กับตนก็เหมือนกับเขียทิ้งไปเหมือนคนบางคนที่รับหนังสือธรรมะ เวลาไปวัดไปสถานที่มีการแจกหนังสือธรรมะก็รับกันไปรับกันไปแต่ไม่รู้ว่าเอาไปอ่านกันหรือเปล่าเอากลับไปบ้านก็อาจจะเอาไปวางไว้ก่อนแล้วก็ไปหาอย่างอื่นมาให้ความสุขกับตนคือไปหาราบยศสรรเสริญ ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระชนิดต่างๆก็เลยทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้รู้คุณค่ารู้คุณประโยชน์ของพระธรรมคำสั่งคําสอนว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไร น่าจะทำอย่างไรให้คุณค่าและคุณประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับตนเองนี่คือชาวพุทธมีอยู่สองลักษณะพุทธที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติกับพุทธที่ศึกษาและปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเหมือนไก่กับมนุษย์ไก่ที่ไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอย ก็จะเขียทิ้งไปส่วนมนุษย์ผู้ที่รู้คุณค่าของเพชรพลอยก็จะเก็บเอาไว้เอาไปใช้ทำประโยชน์ต่อไปพวกเราก็เป็นเหมือนกับไก่หรือเป็นเหมือนกับมนุษย์นี่แหละก็ดูที่ตัวเรานี่แหละ ว, ว่าเราเป็นแบบไหนเราให้ความสำคัญกับพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไร <c oughs> เราศึกษามากน้อยเพียงไร <c oughs> แล้วเรานําเอาไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร <c oughs> มันจะบอกให้เรารู้เอง <c oughs> ว่าเราเป็นไก่กันหรือเป็นมนุษย์กันนี <c oughs> ่แหละ การได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอกับโลกุตลธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นเพียงอันดับต้นเป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นยังมีขั้นที่จะต้องปฏิบัติต่อไปคือขั้นศึกษาคำสั่งคำสอนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ เพื่อให้รู้ว่าจะต้องนำเอาไปปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับผลอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปถ้าอยากจะได้ผลคือโลกการหลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากตายพบ ที่สัตว์นอกทั้งหลายอย่างพวกเรากาลังติดกันอยู่พวกเรานี่เป็นพวกมนุษย์มนุษย์นี้ก็เป็นพวกที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เสพกามกันมีจำนวนบางจำนวนที่พยายามระเว้นจากการเสพกามด้วยการไปเสพความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง ที่เรียกว่าความสงบของจิตใจด้วยการไปเป็นนักบวชไปฝึกจิตฝึกใจทําใจให้สงบเพื่อให้ได้พบกับความสุขในรูปแบบหนึ่งเ mm hmm. นื่องจากมีปัญญาเห็นว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามคือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลภะนี้ มีความทุกข์ต่างๆผสมมาด้วยถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนปลาที่มีก้างและประทานปลาที่มีก้างก็มีโอกาสที่จะถูกก้างตําคอนะส่วนพวกที่เห็นว่าการหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ก็เป็นพวกที่เห็นพวกที่รับประทานอาหารรับประทานเนื้อปลาแบบที่ไม่มีก้างเนื้อปลาบางชนิดมีการเอาม า, าทํามีการมาแกะก้างออกกันทำเป็นปลาชนิดต่างๆเช่นลูกชิ้นปลาอะไรเป็นต้นเนื้อปลาแบบนี้กินแล้วไม่มีก้างต่ำคอ กินอย่างสบายใจไม่ต้องมาระวัดระวังความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็เป็นในลักษณะนั้นเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะชนิดต่างๆเพราะรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะชนิดต่างๆนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีมีแล้วอยู่ดีๆก็จากไปสูญไปเวลาไม่มีก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเล้าจิตใจนี่คือผลจากการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสและเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการเสพกามคือร่างกาย คือตาหูจมูกร่กายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันมีโอกาสที่จะมีอันเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งตาที่ดูภาพก็อาจจะมีปัญหาตามมาต่อไปหูที่ฟังเสียงหรือร่างกายทั้งร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือเกิดความชราภาพขึ้นมา หรือเกิดการพิกลพิการขึ้นมาก็จะทําให้การหาความสุขจากการเสพกามนี้มีอุปสรรคทําให้เสพไม่ได้หรือเสพได้น้อยก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของการเสพกามมีมีด้านลกมี คนที่ไม่ฉลาดก็จะมองไม่เห็นคือคนไม่คิดรบอบคอบไม่คิดดูการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธะที่ตนเองได้เสพได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับก็จะ ไม่ได้มองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนมากับความสุขที่ได้จากการเสพการแต่คนบางคนอาจจะเพราะมีประสบการณ์เคยเสพการมาก่อนแล้วจะต้องสูญเสียความสุขที่ได้จากการเสพการไปก็จะทำให้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียความสุขที่ได้จากการเสพการไป ก็ จ, จะคิดได้ว่าความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขไม่แน่นอนเป็นความสุขที่อาจจะหมดลงได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้แล้วพอมันหมดก็จะทั้งสร้างความเศร้าโศกเสียใจสร้างความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ให้แก่จิตใจก็อาจจะ ไปศึกษาไปค้นคว้าหาความสุขในรูปแบบใหม่ถ้าได้ไปเจอกับพวกนักบวชก็อาจจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่อีกแบบหนึ่งคือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการเสพกล่ำไม่ความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ เป็นความสุขที่เกิดจากการทําจิตใจให้สงบด้วยการบําเพ็ญสมถภาวนาหรือการนั่งสมาธิโดยการเจริญสติเจริญกรรมฐานเพื่อที่จะมาควบคุมความคิดเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นการเจริญกรรมฐานเจริญสติ เพื่อที่จะมาหยุดความคิดปรงแต่งที่สร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจอยู่เรื่อยๆให้หยุดสร้างความวุ่นวายจะถ้ามีกำลังท้าสติมีกำลังมากพอก็จะสามารถที่จะหยุดความคิดปรงแต่งที่สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจได้ ใจก็จะสงบตัวลงแล้วก็จะเกิดความสุขเอกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นโลดผลตภะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดว่านัตติสันติบะลังสุขขังสุขเอินยิ่งกว่าความสงบไม่มี อันนี้ก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ที่มาเกิดในโลกนี้จะมาเสพกันสำหรับพวกที่เคยเคยเสพความสุขแบบนี้มาก่อนในอดีตชาติพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะมักจะไปหาความสุขแบบนี้ต่อส่วนพวกที่เคยเสพความสุขที่ได้จาก รูปเสียงกลพพิ่นรสโผฏฐะเพเวลามาเกิดก็จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพใหม่จนกว่าจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของการเสพกรรมถึงจำศึกษาหาวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งถ้าไม่ช้าก็าเร็วก็จะ ได้มาเจอกับความสุขที่เกิดจากความสงบนะแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสโรนิยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เป็นความสุขในขณะที่ได้เข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาพอจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือไปสับไป ไปรับรู้ไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆก็ทำให้จิตวุ่นวายขึ้นมาได้ทำให้จิตมีความทุกข์ได้จากการไปสัมผัสทั้งๆที่ไม่มีความอยากจะสัมผัสแต่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปดทพะอยู่ต่อไป ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรให้จิตสงบเหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธิทำให้จิตมีความสุขในขณะที่ออกมาจากสมาธิแล้วมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสพธภาชนิดต่างๆได้พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นขั้นของสมาธิแล้วก็ พ อ, อาจากสมาธิมาพระองค์ก็ทรงพบกับความทุกข์ต่างๆจ <c oughs> ึงอยากจะมีความปรารถนาอยากจะให้ความทุกข์ที่ได้รับสัมผัสในขณะที่ออกจากสมาธินี้ให้มันหายไปให้มันไม่มีก็พยายามไปศึกษาจากผู้รู้ต่างๆคู่บาอาจารย์ต่างๆในยุคนั้น แต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ลูกใดรู้วิธีที่จะทำให้ใจสงบในขณะที่ออกจากสมาธิมาทำได้ก็เพียงแต่จจริญสติช่วงที่จจริญสติก็พอจะควบคุมความทุกข์ความวุ่นวายใจได้แต่พอช่วงไหนเผลอสติไม่ได้มีการควบคุมช่วงนั้นความทุกข์ก็ยังโผล่ขึ้นมาได้อยู่ เมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องส่งไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้ส่งคนพบสาเหตุที่ทำให้จิตใจวุ่นวายเวลาที่ไม่ไดีอยู่ในสมาธิก็คือความวุ่นวายใจนี้เกิดจาก ตันหาความอยากของใจนี่เกิดความอยากสามประการสําหรับบางคนก็เป็นกามั่ตันหาเวลามีความอยากในกามแล้วไม่ได้เสพนี่จะมีความรู้สึกวุ่นวายใจขึ้นมาหมดเกล็นนำคานใจไม่มีความสุขสําหรับบางท่านก็มีความอยากในการเข้าสู่ความสงบระดับรูก ป, ประชาน เวลาไม่ได้เข้าก็มีความหงุดหงิดนองคารานใจสำหรับบางท่านก็มีความอยากที่จะเข้าหาความสมมในระดับของอรูปฌานถ้าไม่ได้เข้าก็จะเกิดในความหงุดหงิดขึ้นมาเหมือนกันนี่แหละคือตัวสามตัวความอยากสามชนิดเลยกันกามตัณหาความอยากเสพกาม ภาวะตันหาความอยากจะเสบรูปประชานวิภาวะตัญหาความอยากจะเสบรูปประชานเวลาไม่ได้เสบเวลาไม่ได้เข้านี้จะมีความไม่มีความสุขจะรู้สึกหดหดลาคาญใจคนที่เสบกามพอไม่ได้เสบก็หดิดลาคาญใจช่วงนี้คนนี้พยายามที่จะออกจากบ้านกันแล้ว ถังตัวเองมานานพอแนละ้วไม่ได้ไปเสพกรารนอกบ้านไม่ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรถโพธิธาต่างๆทั่วโลกตอนนี้พยายามผลักดันกันตอนต้นก็กลัวเชื้อโลกตอนนี้รู้สึกว่าความกลัวน้อยลงแนละ้วเพราะเห็นว่าตอนนี้คนติดเชื้อน้อยลงคนตายน้อยลงก็ เ, เกิดความประมาทราใจขึ้นมามกล้ า, าหาญขึ้นมา เราต้องออกไปบรรเทาความเครียดความเครียดที่เกิดจากการไม่ได้เสกกรรมเนี่ยมันก็ทำให้มองข้ามถึงภัยที่จะตามมาต่อไปอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญทางโรคระบาดนี้เขาพยายามเตือนว่าต้องคุมต่อไปนะถ้าปล่อยเดี๋ยวก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม เดี๋ยวจะมีรอบสองรอบสามตามมาแล้วมันจะรุนแรงร้ายแรงกว่ารอบที่หนึ่งเพราะรอบที่หนึ่งเรามีความระมัดระวังกันมากมีความกลัวกันมากแต่พอรอบที่สองนี่เราอาจจะเกิดความประมาทนอนใจขึ้นมามก็อาจจะทำให้ช่วยการแพร่โรคระบาดให้มันกระจายกว้างขวางออกไปยิ่งกว่าครั้งแรกก็ได้ นี่เกิดมาจากตามตัญหาเนี่ยตามตัญหาทำให้อยู่ในบ้านไม่ไหวไม่มีความสุขอยากจะออกไปตามร่างอาหารตามร่างขายของตามศูนย์การค้าตามโรงภาพยนตร์ตามแหล่งบันเทิงอะไรต่างๆอันนี้เป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ ที่เปิดจากความอยากในการเสกกามที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งปวงที่มาเวียนว่ายตายเกิดส่วนพวกที่มีภาวะตัณหาวิภาวะทัณหามาตรตัณหาถึงแม้จะมีแต่ก็ถูกลังนับไว้ด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายจากการเสกกรรมมาเสกภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา มาเสบรูปประชานารูปประชานพวกนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาอยู่ในวัดได้ตางอยู่ตามวัดตามวาต่างๆสามารถหาความสุขจากการเข้าสมาธิระดับรูปประชานระดับพา ร, รูปประชานได้พวกนี้เขาก็ไม่มีปัญหาแต่พวกนี้เขาก็ยังมีความอยากอยู่ยังมีความอยากเสก รูปประชามีความอยากเสศเอารูปประชานอยู่เวลาร่างกายเขาตายไปพวกนี้ก็จะไปรับผลของฌานที่เขาได้เจริญไว้ในรูปปภพกับอ ร, รูปภพแต่ฌานที่เขาได้นี้ก็มีก็เป็นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณนนิจังทุกขังอนันตตา ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นโภมได้พอกําลังของฌานที่ส่งขึ้นไปหมดกําลังลงก็ะจะกลับลงมาเกิดในโลกมนุษย์ใหม่อยแล้วก็กลับมาเสดมาเจริญรูปฌานารู ป, ปรชานใหม่แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายใหม่ยังไม่หลุดพ้นยังติดอยู่ในตายพกอยู่ แต่ไม่ได้ติดอยู่ในกาลประพบไ่ติดอยู่ในรูปประพบสาหรับผู้ที่มีรูปประชานหรสามารถเข้ารูปประชานได้ก็ไปเกิดในรูปประพบผู้ที่เข้าว่ารูปประชานได้ก็ไปเกิดในอรูปประพบแต่ก็ยังติดอยู่ในวัตะสงสารติดอยู่ในตายพบแห่งการเวียนว่าตายเกิดอยู่ พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาถึงขั้นนั้นอพอถึงขั้นนั้นแล้วอยากจะไปต่อไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับอะไรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในฌานขั้นต่างๆพระองค์ก็เลยต้องค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้มาพบกับ เรากุศลธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่สัจจรทำความจริงสี่ประการที่ทําให้สัตว์โลกติดอยู่และหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอริยสัจสี่นี้แบ่งเป็นสองสองสองสองด้านด้วยกันด้านที่ดึงให้จิตใจมาติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด คือด้านของทุกข์กับสมุทยัยอีกด้านหนึ่งคือด้านของนิโรธกับมรรคนี้เป็นด้านที่จะดึงจิตให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ทรงค้นพบว่าการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกทั้งหลายในไายภพนี้เกิดจากกามทันหาภวะทันหาวิภวะทันหาผู้ที่เสพ ผู้ที่มีกามาตหาก็จะมาเกิดมาเสพเพื่อที่จะมาเสพกามกันมาเสพรูปเสียงกลิ่นนนผู้ที่มีภาวะตัณหาก็เป็นผู้ที่มาเกิดเพื่อที่จะมาเสพรูปประจานกันผู้ที่มีวิภวะตัณหาก็จะเป็นผู้ที่มาเกิดเพื่อที่จะมาเสพรูปประจานกัน เวลาตายไปไม่มีร่างกายก็จะแยกไปอยู่ผู้ที่เสพกรารก็จะไปอยู่ในกรารมาพบนอกจากพบของมนุษย์แล้วยังมีพบที่ไม่ต้องมีร่างกายคือพบของเทวดาก็เสพกรารเหมือนกันเสพลูกทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ที่เป็นสุขส่วนพวกที่ไปเกิดในอบาย พวกนี้ก็เสพการเหมือนกันแต่เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่เป็นทุกข์นั่นเองนี่คือที่ไปของผู้ที่มีกามะทันหาเป็นหลักผู้ที่มีภาวะทันหาก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นผมที่สวรปปรค์รูปประพมชั้นรูปรูปประพมผู้ที่มีอรูปฌปาน ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปประพมแต่สวรรค์ทั้งสามสวรรค์ทั้งหมดพบทั้งหมดนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะสิ้นสุดลงชั่วคราว mm hmm. เพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ mm hmm. เพื่อมาตามติมกำลังใหม่ทำตามกำลังของ ความอยากทั้งสามใหม่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าการที่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันก็ <c oughs> เพราะเรายัางมีกามตัณหาอยู่หรือมีภาวะตัณหาอยู่หรือมีวิภาวะตัณหาอยู่และการที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้องหยุดตัณหาทั้งสามนี้ให้ได้ หยุดกามตัะหาหยุดภาวะตันหาหยุดวิภาวะตันหาด้วยอะไรด้วยมรคมรค ก, ก็คือเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการหยุดตันหาทั้งสามนี้เพราะตันหาทั้งสามนี้จะไม่หยุดตามคําสั่งของเราเพราะคําสั่งของเราไม่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเราติดบุหรี่บอกต่อไปนี้ไม่สูบบุหรี่แล้วสั่งมันมันก็ไม่ฟัง พอถึงเวลามันอยากขึ้นมามันก็ทำให้เราดินด้นดิ้นจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องไปสูตรบุเร่ตามที่มันสัแต่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบวิธีส่งค้นพบเครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆนี้ได้เช่นส่งเรียกว่ามรมร ม, มีองค์แปดเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกร ป, ประ สัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมม า, าชิวสมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามโมเนี่ยมีแปดประการแต่ถ้าสรุปลงก็มีอยู่สามประการด้วยกันสำหรับนักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญาสำหรับผู้ครองเรือนก็คือทานศีลภาวนาสอนให้ปฏิบัติ มรคนี้สร้างมรคนี้ขึ้นมามรคนี้เป็นเหมือนเครื่องมือถ้าเป็นอาหารก็เป็นเหมือนปืนมีดระเบิดที่ทหารเวลาเข้าสงครามเข้าสู่สนามรบนี้ต้องมีอาวุธไปต่อสู้กับฆาศึกจัตโตกิเลสตันหาคือตกามรมาตันหาภาวะตันหาวิภาะวะตันหานี้จะกลัวเครื่องมือของพระพุทธเจ้า จะกลัวศีลสมาธิปัญญาจะกลัวทานศีลภาวนาถ้าผู้ใดสามารถที่จะสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาได้หรือสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ผู้นั้นจะมีอาวุธที่จะมาทาลายความอยากทั้งสามที่มีอยู่ภายในใจของตนได้จะสามารถทำลายกามตันหา ภาวะทันหา่าวิภาวะทันหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าพอทําลายได้หมดสิ้นแล้วทีนี้ใจก็จะไม่มีตัวผลักนั้นให้กลับมาเกิดในกามะพบในรูประพบหรือในอรูประพบอีกต่อไปใจที่ไม่กลับมาเกิดก็เป็นใจที่หลุดพ้นออกจาก ไปพบออกจากสังสารวัตนี้เองไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสพกามเสพรูปประชานเสเพรูปประชานหลังจากนั้นก็ไปรับใช้บุญใช้บาปที่ได้ทำไว้พอหมดบุญหมดบาปที่ได้ทำไว้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องห่มร้องไห้ใหม่ มาสะสมน้ำตาให้มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในหมหาสมุทรต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่พอได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทรงได้เรียนรู้โลกุตละธรรมแล้วคืออริยสัจสี่แล้วรู้แล้วว่าการเวียนว่าตายเกิดนี้เกิดจากตัณหาทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา การที่จะหยุดการเวียนว่าตายเกิดก็ต้องหยุดสามารตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาผู้ที่จะหยุดได้ก็คือมากคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้ปฏิบัติเนีผู้ปฏิบัติที่ยังเป็นคารวาสผู้ครองเรือนอยู่ยังมีทรัพย์สมบัติที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ก็ต้อง ใช้ทานมาเป็นเครื่องกำจัดเนะพราะถ้ายังติดข้องอยู่กับทรัพย์สมบัติก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้เต็มเต็มที่ไม่สามารถไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้เต็มที่ก็เลยต้องสอนให้ทำทานก่อนให้ละทรัพย์สมบัติเข้าของไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นไปตามกำลังเมื่อการปฏิบัติคืบหน้ามากขึ้นเห็นคุณค่าของผลที่ไดจากการปฏิบัติ ว่าดีกว่าคุณค่าที่ได้จากการใช้เงินทองซื้ออะไรต่างๆก็จะสละเงินทองได้มากขึ้นจนในที่สุดก็สละได้หมดเลยเพื่อที่จะได้ไปบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือศีลกับภาวนาภาวนาก็มีสองระดับระดับสมาธิและระดับปัญญานั่นเองสมรรภาวนาก็คือระดับสมาธิ วิปั ส, สนาภาวนาก็ระดับปัญญา mm hmm. ไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็ต้องเข้าสู่ขบวนการนี้ถ้ามีความเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ถ้ามีความเห็นว่าการเกิดนี้เป็นความทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเกิดมาสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามสุขที่ได้มีเงินที่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไป แล้วความทุกข์ก็จะต้องเข้ามาแทนที่ทันทีผู้ที่เห็นแบบนี้ก็จะเปลี่ยนทางเดินใหม่จากการหาลาบยศรเสเิญหารูปเสียงกลิ่นนนก็ไปเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะท่านจะบวชเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเจ้าชายเป็น เป็นคนที่มีความสุขมากทางโลกมีลาบยศสรรเสริญสุขมากแต่เมื่อเห็นว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายก็เลยเปลี่ยนวิธีดีดกว่าก็ไปบวชกันไปบวชก็ไปรักษาศีลศีล หรือสินของนักบวชก็ตั้งแต่สีนแปดขึ้นไปแล้วก็ไปเจริญสมาธิด้วยการฝึกกรรมฐานเจริญสติทำใจให้สงบนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่ ง, เ ป, เ, งเป็นเอกขกตตารวมเป็นอุเบกขาแล้วพอมีอุเบกขาแล้วก็สามารถที่จะมาเจริญปัญญาได้เจริญวิปัสสนาดูไตรลักษณ์ดูอัศวะดูสิ่งที่จิตใจกิเลสตัณหาไม่ชอบดูได้ เพื่อกำจัดความหลงความรักความชอบต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความรักความชอบนี้เป็นตัวทำให้เกิดตัญหาความอยากนั่นเองเออพอรักอะไรก็อยากจะได้ขึ้นมาพอชอบอะไรก็อยากจะได้ขึ้นมาชอบรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะได้ชอบชารูปประชานก็อยากจะได้รูปประชานชอบอารูปประชานก็อยากจะได้อรูปประชาม พออยากแล้วใจก็ต้องดิ้นนนท์พายหามาแต่หามาได้มากน้อยเพียงไยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะมันเป็นของชั่วข่าวทั้งนั้นมันก็จะทําให้ติดให้กลับมาหาอยู่เรื่อยๆตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่มาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่มาหารูปประชานใหม่มาหาอรูปประชานใหม่ต่อไปแต่ผู้ที่เห็นโทษแล้วใช้ปัญญาหยุดความอยากนี้ได้ เห็นโทษก็คือเห็นส่วนที่ไม่ดีของของรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปจากของสวยของงามก็กลายเป็นของเน่าของบุดของไม่น่าดูไปของพังไปรูปประชานเข้าได้เดี๋ยวอลาออกมามันก็หายไปอารูปประชานเข้าได้เดี๋ยวออกมามันก็หายไปให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิ่งต่างๆที่จิตใจไปรักไปชอบนะพอเห็นแล้วมันก็จะคลายความนักความชอบมันก็จะคลายความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้ใจไปเกิดเด็กต่อไป และใจที่ไม่มีความอยากนี้จะเป็นใจที่มีความสุขตลอดเวลาเพราะเป็นใจที่จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจได้ถูกกาจัดด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอย่างราบคาบแล้วใจก็จะสงบไปตลอดใจก็จะเป็นปรมังสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือเรื่องของโลกุตตระธรรมอนประเสรฐของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งที่จะพัดนำพาผู้ที่ฉล า, าดให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านีน้ต่อไปก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปุราปาริปุเรนติสักังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสวิจจโตสัเพปุเรนโตสักปาจันโทปนาราโสยะถามณีโจติ พราสุยทาสภิติโยวิวาชชันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทานศีลิสานิจังวุฒาปจายีโนจตารุธรมมวัทานติ อายุวันโนสุขังภาลางังมีลูกศิษย์มารายงานตัวแล้วลามาบตัวอฐาตัวเข้าม า, ามาเจริญมากนะเจริญศีลสมาธิปัญญ า, า ว, วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊ก427 YouTube 5, ยูทูบสองร้อยห้าวิทยุออนไลน์สิบสี่ซูมสิบสามรวมทั้งสิ้นหกร้อยห้าสิบเก้าท่านค่ะมีคำถามไหมค่ะมีคำถามค่ะมีคำถามทางอินบ็อกซ์ค่ะมีคำถามจากคุณนัทนายัยยาวหน่อยโยมขอขออนุญาตสรุปค่ะคุณแม่ผมชอบหยุดหายใจไปสิบสามนาที เข้ากทมโรงพยาบาลเอกชนในกทมแล้วหมอบอกให้ดูอาการ3วันแต่โอกาสฟื้นมี 5% เจึงนำมาที่โรงพยาบาลรัฐต่อไปนะคะซึ่งโรงพยาบาลรัฐที่ไหนกไ็ไม่ไม่มีที่ไหนรับเลยจึงปรึกษากับญาติแล้วก็ตกลงขึ้นตามประเพณีขงคนต่นางจังหวัดเลยขอนำออมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลเป็นครั้งสุดท้าย ได้มีการถอดสายออกซิเจนออกนะคะตรงนี้คําถามของคุ ณ, ณนัตนัยคือว่าจะเป็นการเป็นตีตุคาดหรือมาตุคาดหรือเปล่าครัค่ะการระงับการรักษาไม่ได้ถือว่าเป็นการฆ่าเมืม่อมีหุปสรรคไม่มีความสามารถที่จะรักษาต่อไปได้ก็หยุดการรักษาไปเท่านั้นเองไม่ได้ไปทําให้ผู้ที่ ผู้นั้นเสียชีวิตจากการหยุดคือไม่ได้เอาไปบีบคอเขาไม่ได้ไปทำให้เขาตายเขาตายเพราะเขาไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้เพราะการรักษานี้ถึงวาระสิ้นสุดลงเท่านั้นเองทงไม่ถือว่าเป็นมาตุคาตแต่อย่างใด อันนี้ก็มีเรื่องเนี่ยเรื่องของหลวงปู่ชานี่หลวงปู่ชาท่านก็นอนอยู่เป็นเหมือนกับ เ, เจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราไม่รู้เรื่องแล้วก็มีการใช้ท่อต่างๆเข้าไปาสนับสนุนการทํางานของร่างกายของท่านท่อหายใจมีท่ออาหารท่ออะไรต่างๆอยู่หลายปีมั้ง ช่วในที่สุดก็มีคนมาปรึกษาขอความเมตตาจากหลวงตามหาบัวไม่อยากจะปล่อยให้ท่านอยู่ในสภาพนั้นแต่ไม่มีใครกล้าที่จะตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะกลัวจะเป็นการมาตุคาาปิดตุคาาหรืออาจารยาาิยคาาเนี่ยขึ้นมาก็เลยต้องไปขอความปรึกษาจากผู้รู้ มีความศรัทธาความเชื่อในหลวงตาพอหลวงตาพูดอย่างไงเขาก็จะทําตามหลวงตาก็บอกว่าเนี่ยการที่เราไปใส่ท่อใส่สายอะไรต่างๆนี่เป็นการไปประวิงความทุกข์ให้อยู่นานขึ้นเพราะว่าร่างกาย ไ, ได้รับเชื้อไฟนีอ่อาหารก็เป็นเชื้อเพลิงน้ําก็เป็นเชื้อเพลิงอากาศก็เป็นเชื้อเพลิง พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็เลยทําให้ความทุกข์ในร่างกายมันมีอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบ ท, ทั้งที่ถ้าไม่มีแล้วมันร่างกายมันก็หยุดทำงานของมันไปเองรัะนั้นการหยุดให้น้าให้อาหารให้อกให้ลมนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการฆ่าเป็นการช่วยเหลือเสียด้วยซ้าไปไม่ให้คนเจ็บคนไข้นี้ต้องทรมานไปนานเกินธรรมชาติ สมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีสายโยงสายยางอะไรต่างๆท่านตายอย่างสบายใ่ไมไม่ต้องมาทรมานอยู่กับร่างกายที่มันมันไม่มีวันที่จะฟื้นนะ้วเพียงแต่ว่าอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้มันอยู่ไปเท่านั้นเองอมไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแต่อย่างได พอท่านบอกอย่างนั้นเขาก็เลยกล้าบอกให้หมอหรือผู้เกี่ยวข้องถอดสายยางออกไปแล้วท่านก็ร่างกายของท่านก็หยุดทำงานในระยะเวลาต่อไปเขาก็จะได้นำท่านไปทำชาพนักกิจตามประเพณีต่อไปคำถามข้อต่อไปค่ะมีผู้ทักมีผู้ทักมาว่ามีพ่อ ทักมาว่าพ่อแม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่คอยส่งพลังลบมาให้ทะเลาะกับคุณในบ้านเป็นผู้หญิงแก่ๆทีนี้ฐานะที่เราเป็นลูกควรจะทําอย่างไรดีคะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคะไม่หรอือเจ้ากรรมนายเวรก็คือกรรมการกระทําของเราเนี่นะิสัยสันดานของเราเนี่แนะคือเจ้ากรรมนายเวรเราเคยทําอะไรมันก็เติดเป็นนิสยัยเป็นสันดานขึ้นมา ชอบมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้มันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมัน่นเราเลิอกอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมบรรไดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆเห็นเจ้ากรรมในเวรก็คือตัวเราเองนั่นแหละตัวที่เราเช่ะทํากรรมหรือทํา อะไรไม่ดีต่างๆมันก็มาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเราก็ต้องสู้หรือทำลายเจ้ากรรมนายเวรเราด้วยการเปลี่ยนนิสัยของเราใครทำไม่ดีเราก็หยุดทาเสียแล้วต่อไปเจ้ากรรมนายเวรมันก็จะหมดไปเองคำถามต่อไปจากคุณไกสอนค่ะ ของที่เหลือจากการใส่บาตรพระสงฆ์นั้นทางพวกกระผมสามารถเอากลับไปกินที่บ้านหรือใช้ที่บ้านได้ไหมครับเอาไปได้ถ้าหนึ่งทางพระสงฆ์อนุญาตทางวัดอนุญาตจัดให้สองต้องไม่โลภอยากได้ถ้าโลภอยากได้นี่ก็ไม่ได้บุญนะได้กิเลสมาวัดนี้เราไม่ได้มาเอาของเอาข้าวเรามาเอาบุญแต่ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันนาหน้า อยากได้ของจากวัดไปแล้วก็คอยจ้องคอยดูคอยแย่งกันอย่างนี้กลายเป็นกิเลสไปไม่ได้ไม่ได้มาทำบุญบุญที่ทำก็ถูกกิเลสแย่งไปกินหมดเพระฉนั้นถ้าเขาจะให้ทางวัดเขาจะให้พระเขาจะให้เราก็รับไว้โดยมารยาทแต่ไปรับอย่าไปรับเพราะเราอยากได้โอ้ยดีอกดีใจได้กินนู่นกินนี่อยากกินนู่นกินนี่จ้องดูเมื่อไหร่พระจะหยิบให้ทันที ถ้าอย่างนี้ก็เป็นกิเลสไม่ควรไปทาอย่างนั้นเรามาวัดนี่เราไม่เป้าหมายหลักคือเราต้องการมาให้เราไม่ต้องการมาเอาอะไรกลับบ้านแต่เนื่องจากบางทีของมันเหลือเยอะทางวัดก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นมารยาทธรรมเนียมของวัดวัดก็เป็นเหมือนเจ้าภาพเจ้าของบ้านเวลามีคนมาเยี่ยมมาช่วยมาทากิจกรรมที่วัดทางวัดมีของ เดี๋ยวที่จะมาแบ่งปันได้ท่านก็เอามาแบ่งปันให้จัดอาหารมาให้กันรับประทานไปเอออันนี้ถ้าเขาจัดไว้ให้เขาเชิญให้เรารับประทานเราเป็นเหมือนแขกเราก็เราก็ทําไปเพื่อไม่ให้เจ้าภาพเขาเสียหน้าเออเขาเขาเลี้ยงเราเขาเขาอยากจะต้อนรับเราอ เรามาเราก็มาแต่เป้าหมายของเราเราไม่ได้มาเพื่อจะมาหวังกินมาหวังเอาของจากทางวัดไปแต่กินได้ถ้าทางวัดเขาจัดให้ไม่กินก็ได้ไม่มีใครว่าแล้วแต่คําถามต่อไปจากคุณนรงค์ชัยคะ่ะขอกราบเรียนถามว่ากิเลสประเภทต่างๆทําลายได้ด้วยการฝืนจิตใจไม่ทําตามความอยากนั้น ความอยากนั้นนั้นแล้วกิเลสจะค่อยๆอ่ อ, อนลงไปจนหมดไปในที่สุดผมเข้าใจถูกต้องไหมครับจะมีแบบทำลายกิเลสหมดไปในทันทีไหมครับก็มีหลายวิธีนแต่ต้องเป็นแบบปัญญาเท่านั้นที่มันจะหายอย่างถาวรถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบเพียงแต่ฝืนใจอย่างเดียวนี่บางทีต่อไปถ้ากําลังฝืนมันหมดมันก็อาจจะกลับไป ทำตามความอยากได้แต่ถ้ามันหยุดความอยากด้วยการเห็นด้วยปัญญานี้มันจะไม่เสบต่อไปอสมมติว่ า, าเครื่องเดิมชนิดหนึ่งที่เราดื่มเป็นประจานี่เราชอบเราดิมของเราไปเรื่อยๆแล้ววันดีคืนดีมีคนไปวิจัยว่าเครื่องเดิมชนิดนี้ คนที่ดื่มนี้ไปเป็นมะเร็งพอรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วเทนี้อยากจะดื่มอีกไหมไม่อยากจะดื่มแล้วเพราะเห็นโทษของเครื่องดื่มนั้นฉันใดเราก็ต้องเห็นทุกข์ของในของสิ่งที่เราอยากได้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราสั่งมันไม่ได้นี่ต้องเห็นไตหลักเห็นอนิจจังเห็นอ น, นัตตา ว่ามันทำให้ใจเราต้องทุกข์กับมันเมื่อรู้ต้องทุกข์กับมันความสุขที่ได้จากมันมันไม่ได้ไม่คุ้มค่าเหมือนคนที่ฉลาดเห็นว่าอยู่คนเดียวดีวกว่าอยู่สองคนพออยู่สองคนแล้ว เ, เดี๋ยวต้องทุกข์กับเขาแล้วเขาดีก็ทุกข์ไปอย่างเขาไม่ดีก็ทุกข์ไปอย่างเขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดเขาพิการก็เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอีกก็ทุกข์อีกไม่คิดอย่างนี้บ้างถ้าคิดอย่างนี้ ถ้ามีเขาแล้วขาดทุนมีเขาไปทำไมมีเขาเดี๋ยวอยู่กับเขาไม่กี่เดือนกี่ปีเขาเป็นนํามาพึ่กรรมภาพาดอย่างนี้เราจะทิ้งเขาก็แสดงว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับเขาแล้วเราแต่งงานเขาอยู่กับเขาเพราะเราหวังผลประโยชน์จากเขาอย่างนี้เราก็เออ่ถ้าเราทิ้งเขาแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่จริงใจไม่ได้รักเขาจริง แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ว่าโน่งหน้าก่อนว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ของพวกนี้เขาอาจจะไม่ดีอยู่แล้วแตะทุบตีเราอยู่เรื่อยหรือเขาดีแต่เกิดเขาอยู่วันดีคืนดีตายไปเราก็ร้องหม่มร้องไห้เสียใจขึ้นมาอีกต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วความอยากมันจะหยุดไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไปคอยฝืนคอยฝืนอย่างนั้นเวลาที่มีกําลังก็ฝืนได้เวลาถ้าเกิดอ่อนลงมาเดี๋ยวมันก็ฝืนไม่ไหว คำถามต่อไปจากคุณรวมพรค่ะรูปประชานต่างหรือเหมือนกับความอยากมีอยากเป็นในภาวะตันหาอย่างไรคะก็เหมือนกันเพียงแต่ความอยากในรูปประชานี้เป็นความอยากที่สูงสุดเนี่อยากเป็นนนเป็นนี่ก็สู้อยากได้รูปประชานไม่ได้อยากเป็นประธานาธิปดีอยากเป็นกษัตริย์นี่มันก็สู้ความอยากเป็นอยากได้รูปประชานไม่ได้เพราะความสุขมันเหนือกว่า ความอยากไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็สู้ความอยากไม่มีอะไรจากการเข้าในอรูปฌปานไม่ได้เพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่ามันก็มีสองระดับระดับสูงกับระดับต่ำวันนี้พูดระดับสูงเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องไตพกเนี่ยแล่ระดับต่านี้มันก็เรื่องของอยากได้นู่นอยากได้นี่เวลาไม่มีเห็นก็มีก็อยากได้ขึ้นมา หรือเวลามีแล้วมันสร้างความทุกข์ให้เราก็อยากจะกําจัดมันก็อยากไม่มีขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาอันนี้เรียกว่าระดับต่ําระดับของผู้ที่เสพกามแต่ระดับของผู้ที่ไม่เสพกามก็คือรูปประจานกับรูปประจานนี้ คำถามต่อไปจากคุณมารีวรรณค่ะกลับเบียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการนึกถึงบุญคุณที่เราเคยทําไปนานแล้วเรายังสามารถระลึกถึงแล้วอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไหมเจ้าคะเท่าที่ฟังมาไม่ไม่นิยมถ้าอยาอุทิศก็อุทิศของใหม่ดีกว่าอาหารเก่ามันบูดแล้วมันแต่มันก็ยังมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ทําบุญเวลาทําบุญแล้วคิดถึงบุญที่เราทําไว้มันก็ทําให้เราสึกมีความสุขใจขึ้นมา แต่มไม่เหมือนกับทําใหม่ทําใหม่นี่มันจะรู้สึกปลื้มปิติมากกว่ากันก็เคืเป็นบุญเก่าก็เป็นสัญญาเป็นความจําเป็นภาพที่เราไปถ่ายมาแล้วเรามาเปิดดูมันดูแล้วก็มีความสุขแต่มันชั่วแภ๊บเดียวไม่เหมือนกับไปไปทําใหม่ไปไปถ่ายภาพใหม่เพราะนั้นการจะอุทิศบุญนี้จึงมักจะทําใหม่กัน แล้วเท่าที่ได้ยินก็บุญที่อุทิศได้ก็คือบุญที่จากการทําทานนี่บางคนก็คิดว่าบุญได้อุทิศบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ก็ได้บุญที่นั่งจากสมาธิก็ได้ทั้งนี้มันไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้พูดแต่ถ้าเราจะแปลคําว่าบุญมันก็เป็นบุญเหมือนกันรักษาศีลก็เป็นบุญไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญ แต่มันไม่ได้เป็นบุญที่เราเอ า, เอาไปอุทิศให้ผู้ที่ร่วงนับไปแล้วคำถามต่อไปจากคุณหญิงค่ะกระทะทองแดงต้นยิ้วมีจริงสำหรับฝรั่งที่ไม่นับถือพุทธศาสนาไหมคะมันเป็นจริงกับทุกดวงวิญญาณดวงจิตนะแต่กระทะจริงๆไม่มีแล้วกระทะทองแดงจริงๆไม่มีต้นนิ้วไม่มีมันเป็นเพียงการ สร้างภาพให้เห็นว่าความทุกข์มันเป็นอย่างไรเท่านั้นเองความทุกข์ใจเวลาเราทุกข์ใจไม่ต้องมีต้นยิ้วไม่ต้องมีเมอ้อทองแดงใช่ไหมเวลาโกรธใครนี่เป็นยังไงเครียดแค้นใครนี่โอ้โหมันเวลาเสียใจเป็นยังไงอย่างนี่ยนั่นแหละคือความทุกข์ใจที่มันเป็นนามธรรมาคนโง่อนี่มันไม่นึกภาพไม่ออกเขาก็เลยต้องวาดภาพให้เห็นโอ้เป็นอย่างนี้นะเป็นเหมือนตกลงกระทะทองแดง มันร้อนๆเ้อะกระโดดลงไปดูเลยมันจะร้อนมันจะเจ็บข้างในถูกบังคับให้ปีนต้นยิ้วนี่มันเป็นยังไงมีแต่น้ำเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้เป็นการเปรียบเทียบมาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้ที่รับผลบาป คำถามต่อไปจากคุณอะตอมค่ะเมื่อนั่งภาวนาถึงความสงบเย็นสบายและเป็นสุขแต่เมื่อออกมาก็รู้สึกใจเพียนพยายามรักษาความสงบให้คงอยู่พอพยายามมากๆก็ต้องไปนั่งสมาธิใหม่ต้องทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับถ้าเรามีความสามารถมีสติที่สามารถควบคุมใจให้สงบตามที่เราต้องการได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณา เหตุที่มาทําให้ใจเราวุ่นวายวุ่นวายกับเสียงก็ต้องพิจารณาเสียงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียงก็มีทั้งเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีเวลาเขาชมเราก็ดีใจเวลาเขาด่าก็เสียใจก็ต้องพิจารณาเสียงว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงจะให้ชมอย่างเดียวไม่ได้อนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ จะให้อันนี้จะให้มันชมไปตลอดไม่ได้มันไม่เที่ยงชมแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็มีด่าเข้ามาแทนที่ได้จะไปควบคุมบังคับไปห้ามมันก็ไม่ได้ไปสั่งมันก็ไม่ได้นี่ว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันควบคุมได้พอมันทำไม่ได้ก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นม า, าต้องพิจารณาเวลาใจเราไม่สบายต้องถามวอนนี้เราไม่สบายใจ กับเรื่องอะไรเรื่องอะไรมันต้องมีเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจรากสาเหตุก็คือเกิดจากความอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่นเองพอมันไม่เป็นตามความอยากเรามันก็ทำให้ใจเราไม่สบายขึ้นมาพอเรารู้ว่าปัญหาคือความอยากของเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราทำไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราก็อย่าไปอยากเท่านั้นเองยอมให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน ความไม่สบายใจมันก็จะหายไปแล้วเรื่องนั้นจะไม่มาทําให้เราไม่สบายใจได้อีกต่อไปเพราะเราปล่อยวางได้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะด่าเราก็ปล่อยมันด่าเรามันจะชมเราก็ปล่อยมันชมเราคนมันบางทีสองอารมณ์สามวันดีสี่วันใข่คําถามต่อไปจากคุณนัตตี้ค่ะการฝึกสติที่สมบูรณ์จริงๆคือไม่เผลอเลยใช่ไหมคะหรือว่าสติบางครั้งก็มีบ้าง บางครั้งก็ไม่มีเจ้าค่ะมันบังคับได้ไหมเจ้าคะสตินี้ก็พอบังคับได้จนกระทั่งเป็นมหาสติขึ้นมาคือมีสติรู้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนก็เรียกว่าเป็นมหาสติขึ้นมาแล้วถ้าฝึกไปแล้วมันจะเป็นลิ์สายต่อไปอันนี้สามารถควบคุมสร้างขึ้นมาได้เช่นเดียวกับปัญญาปัญญาก็สร้างได้สร้างให้เห็นตายรังพิจารณาตายกอยู่เรื่อย ต่อไปเห็นอะไรมันก็จะเห็นใจรักทันทีกับสิ่งที่มาครับคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟค่ะที่บ้านเป็นร้านพิมพ์ผ้าเป็นรูปคำถามคือพิมพ์รูปพระพุทธรูปปริ้นรูปพระแล้วนำไปขายทำได้ไหมครับได้ไม่เสียหายตรงไห น, นถ้าไปแจกได้ก็ได้บุญถ้าไปขายก็ได้ได้เงิน ก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งเป็นพุทธพาณิชย์คำถามต่อไปจะคุณสมชัยคะ่ะการตั้งใจทำงานที่เป็นสัมมาอาชีพแต่ในบางช่วงมีความเครียดในงานเราควรกำหนดจิตอย่างไรครับเวลาเครียดก็อย่างที่บอกนะใช้วิธีสองวิธีด้วยกันวิธีง่ายที่สุดก็พุโทโธพุโทโธบริกรรมใจเราอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวที่ทาให้เราเครียด พอไม่คิดถึงมันลืมมันความเครียดก็จะหายไปวิธีที่สองจะทำแบบถาวรก็คือใช้ปัญญาว่าเรื่องที่ทําให้เราเครียดเราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงๆเราจะไปบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการเราไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันได้เราก็จะไม่เครียดกับมัน คำถามต่อไปจากคุณรสจนาค่ะการถ้าเราจะสวดมนต์โดยไม่ต้องมีพระพุทธรูปนั่งบนพื้นวางหนังสือบนเตียงหรือต้องมีห้องพระสวดในห้องนอนได้ไหมครับไม่มีพระพุทธรูปครับขอบคุณครับถ้าเชิงปฏิบัตินี่สวดที่ไหนก็ได้ห้องส่วมก็สวดได้แต่ต้องสวดภายในใจอย่าให้คนเขาได้ยินเดี๋ยวเพราะว่าถ้ามองในแง่โลกของโลกสมมตินี้เขามีกาลเทศะ ความเหมาะสมถ้าสวดออกเสียงนี้ก็ต้องมีที่เหมาะสมให้สวดแต่ถ้าสวดในเชิงปฏิบัตินี้ยสวดในใจนี่อยู่ที่ไหนก็สวดได้เดินยืนนั่งนอนสวดได้ตลอดเวลาเพราะการสวดนี้เป้าหมายก็คือการเจริญสตินั่นเองคำถามต่อไปจากคุณนัดค่ะ การพิจารณาสู่วิปัสนาใช้ปัญญาพิจารณามีความจําเป็นต้องหลับตาไหมครับคือการพิจารณาทางปัญญามันมีอยู่สองสองขั้นตอนขั้นที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นการทําการบ้านเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วขั้นที่สองก็คือการทําข้อสอบ เวลาทําการบ้านเราก็สามารถนับตาได้เช่นเราอยากจะพิจารณาอาการสามสิบสองเราหลับตาแล้วก็นึกถึงอาการสามสิบสองไปว่าร่างกายนี้นอกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันมีของที่อยู่ใต้ผิวหนังองีกเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดพิจารณาท่องไปก่อนท่องชื่อก่อนพอท่องจําชื่อได้แล้วทีนี้ก็มานึกถึงภาพของอวัยวะต่างๆ ถ้าไม่เคยเห็นก็ไปเปิดหนังสือดูได้เดี๋ยวนี้มีหนังสือทั้งของสดของเป็นของจริงหรือเป็นของภาพภาพเขียนที่นักศึกษาแพทย์เขาใช้เรียนศึกษาดูาวัยวะต่างๆของร่างกายก็ดูแล้วก็นึกจะจำอยู่เรื่อยๆให้มันเวลาเห็นร่างกายของคนอื่นพอเห็นปั๊บนี่ให้มันเห็นทะลุเข้าไปข้างในเหมือนมีตาเอ็กซเรย์ อันนี้เป็นขั้นทาการบ้านทาการเตรียมตัวกันขั้นที่สองเวลาเกิดข้อสอบคือเกิดความหลงรักร่างกายคนนั้นร่างกายคนนี้เห็นว่าสวยว่าหลอ่อก็นึกถึงภาพที่เราทําการบ้านไว้อ๋อมันหล่อข้างนอกแต่ข้างใ น, นนี้มันเหมือนกันทุกคนเห็นนาการสามสิบสองเห็นนาการอื่นๆที่มองไม่เห็น พอเห็นปั๊บความหลงคิดว่าเขาน่ารักน่าชมน่ามาเป็นแฟนก็จะหายไปอันนี้เป็นขั้นที่สองขั้นต้นต้องทําการบ้านไว้ก่อนต้องศึกษาทําการบ้านต้องเรียนรู้ว่าร่างกายมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งแง่มุมอื่นก็มีนอกจากมีอาการสารสิสองแล้วยังมีแก่เจ็บตายอีกน ะ, ะร่างกายมันไม่หนุ่มไม่สาวอย่างนี้ทุกวันนะ อันต่อไปมันก็จะเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายต่อไปแล้วเวลาตายมันก็กลายเป็นซากศพไปถ้าสมัยก่อนเขาก็ทิ้งไว้ในป่าช้าให้มันเน่าให้มันเปื่อยให้มันถูกแรงกากัดไปมีนอนแชหนอนอะไรใชเอันนี้ก็เป็นการดูความจริงของร่างกายที่จะตามมาในอนาคตเพื่อที่จะได้ตรงวาง แล้ก็พิจารณาว่ามันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟทั้งนี้พอร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันมันก็แยกตัวออกจากกันธาตุลมก็ไปก่อนหยุดลมหายใจธาตุไฟก็ตามไปธาตุน้ำก็ตามไปเดี๋ยวที่เดี๋ยวก็กลายเป็นกลายเป็นดินไปหมดถ้าไปเผาก็เร็วหน่อยกลายเป็นขี้เถ้าภายในชั่วโมงสองชั่วโมงก็เผาเหลือแต่เป็นเป็นขี้เถ้าเป็นทาเป็นดินไปหมดธาตุไฟก็ถูก ถูกไฟเผาไปหมดธาตุลมก็หมดไปธาตุน้ำก็ถูกไฟเผาแห้งเหือดไปหมดเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ใจผู้พิจารณาร่างกายนี้มายึดครองเท่านั้นเองผู้พิจารณานี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ถ้าไม่พิจารณาแยกแยะก็จะหลงคิดว่าผ nes ู้พิจารณานี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปผู้พิจารณาก็จะกลัวเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาแต่ถ้าพ bracket, ิจารณาจนสามารถเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่ไม่คิดไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นเป็นคนละส่วนกันพอถึงเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรผู้รู้ผู้คิดก็จะใช้ความรู้นี้มาหยุดความกลัวได้หยุดความทุกข์ได้หยุดความอยากได้ คำถามต่อไปค่ะจากอินบ็อกซ์ค่ะถ้ามีนกมาทำรังที่คอมเพรสเซอร์แอร์ตรงระเบียงห้อง <c oughs> ทำให้มีขี้นกตกลงมาบริเวณที่จะออกไปตากผ้าต้องทำความสะอาดแทบทุกวันหากหรื้อรังนกออกจะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกก็อย่าไปทำรายชีวิตเขาก็แล้วกัน <c oughs> ในเมื่อเขามาทำในที่ที่ไม่เหมาะสมก็ต้องเชิญเขาไปทำที่มันเหมาะสม <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณอัชราพรค่ะการฝึกเมตตาภาวนาต้องทำอย่างไรเจ้าคะต้องเข้าใจคาหมายคาว่าเามตตาก่อนว่ามีมีความหมายอย่างไรความหมายที่หนึ่งก็คือไม่อาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมผู้อื่นเวลาใครเขาทำให้เราเสียหายหเราไม่ไปจองเวนจองกรรมเรายกโทษให้เขาเช่นเขามาโวยขมโมยแฟนเราไปยกให้แฟนเขาไป ไม่จองเวรจองกรรมเรียกว่าเมตตาข้อที่หนึ่งข้อที่สองการไม่เบียดเบียนกันทําอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่น อ, อย่าไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนจากการกระทําของเราเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันข้อที่สามอย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของกันของกันและกันอย่าไปทําให้จิตใจเขาทุกข์อย่าไปทําให้ร่างกายเขาทุกข์ ข้อที่สี่ทำให้เขามีความสุขเช่นวันเกิดเขาก็ซื้อเค้กไปให้เขาหรือไม่มีวันเกิดก็ได้วันนี้อยากจะให้เขามีความสุขก็ซื้อเค้กไปให้เขาพอเขาได้เค้กเขาก็มีความสุขนี่เรียกว่าความเมตตามีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันต้องทําไม่ใช่สวดนะการสวดนี่เป็นการเรียนเป็นการทําการบ้านวิธี วิธีแผ่เมตตา แ, แผ่ด้วยการให้อภัยเวลาใครมาขโมยของเราให้มันไปที่ว่าเป็นทำบุญทาทานไปก็จะไม่โกรธเขาเไม่โกรธใจก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อน เ, อเวลาทำอะไรก็ระวังอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นจัดงานปาร์ตี้เปิดเสียงดังลั่นคนที่อยู่ข้างห้องนอนไม่ได้นี่มันก็เรียกว่าเบียดเบียนกันก็ต้องระมัดระวัง ข้อที่สามก็เวลากโกรธใครก็อย่าไปทุบตีเขาหรืออย่าไปกันแจ้งทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจด้วยวิธีการต่างๆแล้วข้อที่สี่ก็ให้ความสุ ข, ขกับเขามีอะไรตอนนี้เห็นไหมที่เราแบ่งปันกันเนี่ยเรามีข้าวกับขุ้งมีของก็ตั้งไว้หน้าบ้านเอะใครอยากจะได้อะไรขาดหรืออะไรมามา่าน้ําปลาอะไรต่างๆก็ตั้งไว้ใครขาดใครก็มาหยิบไปเขาหยิบไปแล้วเขามีความสุขไหม น่ะเมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่นทีวิธีด้วยกันในการที่จะมีความเมตตาต่อกันนะกันคำถามจากคุณอนุชาในอินบ็อกซ์นะคะ เชื้อโรควิดสิบเก้านี้มีรูปนามขันห้าเหมือนมนุษย์ไหมครับถ้ามีก็เป็นเพื่อนร่วมทุก์เกิดแก่เจ็บตายในสังสา ร, รวัตกับเราหรือเปล่าครับโอ้ยมันระบาดมาต้องถึงวันนี้แล้วยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครไง <c oughs> แสดงว่าไม่ไม่สนใจศึกษาเลยเงียงแต่เขาว่าเป็นโควิดก็โควิดตามเขาเขาว่าเป็นไวรัสก็ไวรัสตามเขาไม่ศึกษาว่ามันเป็นอะไรเขาว่ามันเป็นโปรตีน โปรตีนมันไม่มีชีวิตชีวมันไม่มีมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีดวงวิญญาณแต่มันสามารถที่จะขยายตัวได้จเจริญเติบโ ต, ตได้เหมือนต้นไม้เหมือนหญ้ามันจเจริญเติบโ ต, ต, ตได้แต่มันไม่มี <c oughs> มันไม่มีดวงวิญญาณเข้าไปสิงอยู่แล้วมันก็ไปทำร้ายร่างกายด้วยการไปเปลี่ยนเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้ทางาน ผิดปกติไปแทนที่จะดูแลเลี้ยงดูสนับสนุนร่างกายมันกลับไปทำให้เซลล์หรือเซลล์นี่อยู่ในร่างกายนี้ทำลายอวัยวะต่างๆของร่างกายต่อไปเ <c oughs> ั่นการทำลายโควิดด้วยการใช้น้ำยาอะไรพวกนี้ไม่ไม่เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่อย่างใด <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณนรมนค่ะนั่งสมาธิเข้าไปจนเกิดปิติซ่านไปทั่วตัวรอจนมันดับเองแล้วเข้าไปอีกแต่มีสติอยู่ค่ะมันเห็นค่อยๆดับเหมือนปิดไฟแล้วมันก็ค่อยๆถอนออกมาสติสมาธิไม่พอใช่ไหมคะหรือไปไม่ถูกทางคะก็เหมือนกับรถวิ่งไปตอนแรกเราก็เติมน้ํามันก่อนมันเต็มถังแล้วก็วิ่งไปเดี๋ยวน้ํามันหมดเราก็ต้องเบวะเติมใหม่ เวลาเราจเจริญสติตอนที่เราเริ่มนั่งเราก็จเจริญสติพอจิตสงบเราก็หยุดจเจริญเอเราก็เสกความสงบสติที่เรามันก็จะถูกค่อยๆบวชกาลังไปพอมันอ่อนกําลังลงมันก็จะถูกกิเลสคอยผลักดันให้ดันออกมาอจิตก็จะก็ถอยออกมาเนี่ยการเข้าไปนี้ต้องใช้สติดันเข้าไปแต่เวลาออกนี่กิเลสมันดันออกมา กี่ลคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันจะดึงจิตให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นลสตามแต่ถ้าเราไม่ต้องการออกเราก็ต้องสร้างสติใหม่พุทโธใหม่ดูลมใหม่มันก็จะกลับเข้าไปใหม่นี่คือธรรมชาติของสติมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถาวรมันทํางานเสร็จพอมันได้ผลมันก็หยุดทํางานพอจิตสงบมันก็หยุดทํางานพอมัน จิต่าไม่สงบใหม่ก็ต้องทำงานใหม่เพื่อทำให้จิตสงบใหม่เหมือนคันเร่งรถยนต์เนี่ยเวลาเหยียบคันเร่งรถมันก็วิ่งพอปล่อยคันเร่งพอปล่อยคันเร่งรถก็ชะลอตัวพออยากใช้มันเร็ววิ่งขึ้นใหม่ใหม่ก็ต้องเหยียบคันเร่งใหม่คือลักษณะของสติเป็นอย่างนี้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะทุกเช้าลูกได้อาศัยอากาศ อาศัยการอ่านหนังสือสวดมนต์และสวดมนต์ไปเรื่อยๆในห้องพระเพื่อจะฝึกสติแต่ไม่ได้นั่งสมาธิแบบนี้ได้หรือไม่เจ้าคะลูกจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์ตามสติกำลังของลูกเจ้าคะ่ะได้พออ่านจบก็เรานั่งต่อดูเพราะช่วงนั้นจะมีสติดีที่จะทำให้นั่งได้ได้ได้ผลไม่มากก็น้อยดีกว่าดีกว่าดีกว่าไม่นั่งเพราะว่า วววเวลาไม่สวดแล้วมานั่งเวลาไม่สวดมานั่งนี่จิตมันยังไม่มันยังไม่มีสติพอมันก็จะนั่งไม่ได้แต่พอเรานั่งสวดจะนั่งสวดด้วยการอ่านหรือการท่องก็ได้พอไปผ่านไประยะหนึ่งสติจะดีขึ้นก็ลองก่อนที่จะเลิกก็ลองนั่งหลับตาดูลมไปสักพักหนึ่งก่อนก็ได้หรือสวดนั่งหลับตาแล้วสวดไปก็ได้เมันก็จะเป็นการหัดทําสมาธิได้ เพราะการสวดการเจริญสตินี้เป้าหมายก็เพื่อเอาไปใช้ในการฝึกสมาธินั่นเองถ้ามีสติแล้วไม่ไปฝึกสมาธิมันก็ไม่รู้มีไวทําไมคำถามต่อไปจากคุณนิรัชชัยค่ะเขาออกาสถามครับเวลาพระบิณฑบาตการเอาย่ามไว้ใส่แกงผิดศีลไหมครับแล้วแกงในาย่ามต้องทยอยถ่ายออกเพราะมันจะเต็มอย่างนี้ผิดไหมครับ คือถ้ายามบาทมันเต็มแล้วมันไม่มีที่ใส่ญาติโยมก็อยากจะใส่ก็ต้องถ่ายอาหารที่อยู่ในบาตรออกไปใส่ในย่ามหรือถ้ามีลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ก็มีกระป๋องกระแป๋งอะไรก็ใช้ถ่ายให้เพราะจะให้ญาติโยมใส่ในกระแปง๋งเขาก็ไม่อยากจะใส่เพราะต้องการใส่บาตรที่บาทมันเต็มก็ต้องย้ายอาหารที่มีอยู่ในบาทออกไปก่อนเพื่อให้ญาติโยมจะได้ใส่บาทต่อไปได้ ตรงนี้คำถามหมดค่ะแล้วการบินธบานนี่มันเป็นสองลักษณะนะถ้าบินธบานแบบเป็นสายเนี่ยเป็นเหมือนรถเมเนี่ยมันต้องวิ่งไปตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางไม่ใช่ว่าพอผููโดยสารเต็มก็กลับวันอย่างงี้คนที่เขารอใส่บาทต่อไปก็รอไม่ได้ถึงแม้จะฟังแล้วมันอาจจะมีขัดกับกับพระวินัยที่บอกว่าพอได้อาหารเต็มบาทแล้วให้หยุด อันนี้หมายถึงถ้าบินาบาตรตามลาพังออกไปองค์เดียวแล้วก็เดินไปตามถนนตามตามบ้านพอได้อาหารพอครบบาทก็ให้กลับได้ถ้าขนมากๆก่า น, นั้นก็ถือว่าโลภแต่ถ้ามันเป็นแบบธรรมเนียมของของบ้านเขาที่ว่ารอใส่บาตรอยู่ก็ต้องรับแล้วก็พอบาทเต็มก็ต้องให้ลูกศิษย์ช่วยถ่ายอาหารออกไปแต่ก็ไม่ได้รับเพื่อตนเอง รับเพื่อให้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสได้ใส่บาตรอันนี้เป็นกรณการสงเค์สัตว์ที่าไปปลดสัตว์นี่ไม่ได้ไปปวดเฉพาะตัวเองเ อ, อาหารเต็มบาตรแล้วกูพอแล้วขอกลับวัดแล้วส่วนญาติโยมจะรอใส่บาตรก็ช่วยไม่ได้อันนี้เนี่บางคนไม่เข้าใจเวลาอ่านหนังสือธรรมะบางทีเห็นว่าพระพระพุทธเจ้าห้ามแม่พระลับอาหารล้นบาตร พอาหารเต็มบาทแล้วก็ต้องหยุดนี่อันนี้ใช่ถ้าในกรณีที่หากินกันเองแบบอ่ฟรีร้านอย่างเงี้ยไม่ไมีพบางทีไปไปปรากฏอยู่ที่ไหนแห่งหนึ่งแล้วก็เดินเดินออกไปบินธบัตพอได้อาหารเต็มบาทก็พอแล้วพอกินแล้วก็ไม่ต้องเต็มบาทก็ได้คิดว่าอาหารพอกินก็กลับไปที่พักได้นะแต่ถ้าอยู่กับวัดอยู่กับบ้านที่เขาอาศัย พึ่งพาอาศัยกันวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดเนี่ยบ้านก็เพึ่งวัดเพื่อได้บุญวัดก็เพึ่งบ้านเพื่อได้อาหารมันก็ต้องเอารูปมารวยกันก็ต้องเดินไปจนกว่ามันจะสุดสายจนกว่าจะหมดคนจะใส่บองที่พอหมดสายยังตามขึ้นมาใสา่มนมดต่อเขมี่ก็ <c oughs> <c oughs> รับต่อไปอันนี้คนที่ไม่รู้ว่าคียโอ๊ภพระพวกนี้โลบแล้วกัน มันจะไปกินเงินที่ไหนได้ก็ไม่ได้หรอกก็เอาไปโปรดคนที่ยากจนต่อไปคนที่มาทำคุณทำประโยชน์ให้กับวัดหรือคนมาช่วยงานที่วัดคนมาทำบุญมันมีคนเยอะแยะที่สามารถที่จะอ า, อาหารที่เหลือจากการบินบาสนี้ไปสงเคราะห์ต่อได้หมดแล้วยังไม่มีแต่เป้าหมายของพระอย่าไปทาเพื่อมาสงเคราะห์ญาติโยม อันนี้เป็นถือว่าเป็นของเซอร์พลัสเป็นของที่เหลือมาแต่ไม่ใช่โอ้ยมีลูกศิษย์หลายคนต้องเลี้ยงมันบาทอาหารยังไม่พอต้องบินตะบ่าต่อไปถ้าอย่างนี้ก็เป็นความโลภ อ, อีกละบางทีบางทีงทวัดบางวั ด, วดอ่าจจะจ้างคนมาทํางานแล้วก็บอกเขาว่าถ้าทํางานขอค่าแรงลดค่าแรงหน่อยแล้วจะให้ค่าอาหารแทนจะให้อาหารชดเชยแทน รัดก็เลยคิดว่าตนเองมีภาระต้องหาอาหารมาให้บางทีอาหารได้พอพระแล้วใหญ่ก็ไม่ยอมอยังต้องไป ห, หาต่ออันนี้ถ้าไปบินทบาตนี้ด้วยความโลภมันก็ไม่ได้ไปโปรดสันนะไปโปรดกิเลสแทนอย่างเวลาบินทบาดนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงคนอื่นเป้าหมายเพื่อเลี้ยงตนเองแต่ถ้ามีคนใส่มากมีเหลือ ก็เอาไปเลี้ยงคนอื่นต่อได้ก็จะพิจารณาคนไหนก็แล้วแต่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นสิทธิ์ของผู้ที่รับอาหารมาของพระที่รับอาหารมาถ้าท่านอยากจะโปรดคนนั้นโปรดคนนี้ให้แบ่งให้คนนั้นคนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านอืนทําได้อืหมดแล้วล่ะหมดเวลาพอดีนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายทรงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้